ปกติสุขสุขสบายตัวนูไม่น้อยนี่ก็เห็นความสำคัญของธรรมะนะไม่ว่าจะเป็นสติสมาธิปัญญาเมตตากรุณาแล้วก็อยากจะให้ธรรมะเหล่านั้นเนี่ ย, ยจะเลยงอกงามในตนแต่ถ้าหาว่าถูกอารมณ์ครอบงำโดยเพราะอารมณ์ที่เป็นอกุศลเนี่ยช่วยความโกรธความเศร้า ความโหดทูหอเหี่ยวเนี่ยหลายคนเนี่ยลืมธรรมะไปเลยนะดูว่าไม่สนใจที่จะนำธรรมะนี้มาใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนโดยเพราะปัญหาด้านจิตใจหลายคนเนี่ยก็เห็นนว่าสตินี่มีประโยชน์มีคุณค่าแต่พอมีความโกรธนะเกิดขึ้นเนี่ยก็จมอยู่ในความโกรธเนี่ย ไม่คิดที่จะเรียกสติกลับมาเลยอันนี้รวมถึงความความทุกข์นะความเศร้าโศกด้วยตอนที่ไม่เกิดอารมณ์ที่ว่าครอบงาำเนี่ยนะก็สนใจธรรมะนะเป็นคุณค่าของสติแต่พอถูกความโกรธก็ดีนะความทุกความเศร้าโศกก็ดีครอบงาหนึ่งไม่คิดที่จะนำธรรมะมาใช้ แก้ปัญหาจิตใจหรือที่จะเข้ามก็คือว่าไม่คิดที่จะเรียกสติกับมาจนเราไม่ดอยนี่ก็คิดแต่จะทําตามอารมณ์นั้นหรือปล่อยใจใจมดิ่งอยู่ในอารมณ์นั้นเช่นเวลาโกรธนี่ก็ปล่อยใจให้จมอยู่ในความโกรธคิดถึงแต่ว่าคิดถึงแต่เหตุการณ์การกระทําคําพูด หรือบุคคลที่ทำให้เกิดความกลัแล้วก็คิดหมุนวนอยู่กับสิ่งนั้นทั้งนังที่ยิ่งคิดมันก็ยิ่งทำให้โกรธแค้นมากขึ้นในทำนงเดียวกันในะเวลามีความเศร้าโศกเสียใจเพราะสูญเสียพัดพรากหรือพ่ออกหักใจว่าคิดแต่จะปล่อยให้จมดิ่งอยู่ในความเศร้าโศกนั้น ไม่คิดที่จะเรียกสติกลับมามีแต่จะปล่อยใจให้จมอยู่กับความเศร้าคิดถึงแต่เหตุการณ์ที่ทำให้เศร้าก็คิดบนไปบนมาแต่กับเหตุการณ์นั้นเรื่องราวเหล่านั้นนอกจากจะไม่พยายามเรียกสติกลับมาเพื่อให้หลุดจากความเศร้าแล้วบางทีเนอย่างยังกลับ ซ้ำเติมนะหรือเพิ่มความเศร้าให้มากขึ้นอย่างหลายคนในเวลาเศร้าเนี่ยเมื่อจะฟังเพลงเนี่ยเขาเลือกที่จะฟังเพลงเศร้าๆทั้งที่น่าจะฟังเพลงที่ทาให้เกิดความสดชื่นแจ่มใสแต่ตรงข้ามนะคนที่เศร้าก็ดีหดหูหอเหี่ยวก็ดี จนจะไม่น้อยเลยเนี่ยเวลาฟังเพลงเนี่ยก็ฟังแต่เพลงเศร้าๆเพลงที่ของคนอกหักคนที่ผิดหวังในความรักหรือว่าคนที่ประสบกับความอ า, อาภัพอับอจนในชีวิตที่เป็นเช่นนี้เนี่ยเหตุผลสำคัญก็เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยขาดสติไปเสแล้ว หรือว่าไม่มีสติรักษาใจพอไม่มีสติเนี่ยมันก็ลืมตัวแล้วพอลืมตัวแล้วก็ลืมธรรมะธรรมะที่ร่ำเรียนมาธรรมะที่ได้ยินได้ฟังมาหรือที่ได้ลองปฏิบัติ ด, ดูบ้างทั้งที่ร่วมมันมีประโยชน์นะแต่ว่า ประโยชน์นั่นมันเห็นเฉพาะตอนที่จิตใจราบลื่นเป็นปกติว่าไปเพราะตอนนั้นเนี่ยมีสติพอมีสติมันก็ทำให้คิดนึกไปในทางที่เป็นกุศลหรือเห็นคุณค่าของธรรมะแต่พอถูกอารมณ์ครอบงำไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเศร้าความโดูห่อเหี่ยวนี่ตอนนั้นเนี่ยมันแสดงว่าขาดสติไปแล้ว พอขาดสติไปแล้วเนี่ยหรือว่าสติบกพร่องเนี่ยการที่จะเห็นคุณค่าของธรรมะหรือแม้แต่เห็นคุณค่าของสติเนี่ยก็มีน้อยคือแต่จะปล่อยใจให้จมอยู่กับอารมณ์หรือทำตามอารมณ์นั้นอย่างเช่นเวลาโกรธนะความโกรธมันสั่งให้ด่าเราก็ทำตามมันด่า ความโกลธมาสั่งให้ทำลายเข้าของแล้วก็ทำทั้งทที่ตอนที่ไม่ได้โกรธหรือว่าไม่ได้ตกอยู่ในอารม์นั้นเนี่ยกลับมองว่าการบวยวายใส่คนอื่นหรือว่าการทำลายเข้าของหรือไม่แต่ทำลายผู้คนเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรทำหรือบางคนไม่คิดว่าฉันจะทำได้ แต่พอโกรธขึ้นมาอะไรที่ไม่คิดว่าจะทำได้มันก็ทำได้หมดเลยตัวหลายคนก็รู้สึกแปลกใจว่าฉันทาได้ยังไงนะไม่คิดว่าจะทำได้เลยอันนี้หลังจากที่สั่งจากอารมณ์หรือว่าสติกลับมาแล้วแต่ตอนที่สติมันหายไปเนี่ยหรือว่าเสียสติเนี่ย เพราะถอารมณ์ครอบงำเ น, นี่ยว่ามันคิดแต่จะทําตามอารมณ์แล้วไม่คิดที่จะเรียกสติกลับมาเลยถ้ามีแต่จะปล่อยใจให้จมอยู่ในอารมณ์นั้นหรือว่าหมกบุ้นคุค้นคิดอยู่กับเรื่องราวเหล่านั้นที่ทำให้โปรที่ทำให้เศร้าที่ทำให้ห่อเหี่ยวท้อแท้หรือว่า กลับทำยิ่งกว่านั้นก็คือนะเพิ่มเติมอารมณ์นั้นให้มันรุนแรงขึ้นอย่างที่ยกตัวอย่างเนี่ยพอเศร้าพอหอเหยว่ขึ้นแล้วก็ฟังแต่เพลงเศร้าๆซึ่งมันทำให้แย่ลงหรือเวลาโกรธเนี่ยมันก็คิดแต่จะนึกถึงเรื่องราวที่ทำให้โกรธมากขึ้นอาจจะไปขุดคุ้ย เรื่องราวต่างๆที่ไม่ดีของคนคนนั้นซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ทำให้เราโกรธตอนนั้นเลยนะแต่ว่าใจามันก็จะไปคุดคุยเรื่องราวที่ไม่ดีของคนคนนั้นหรือบางทีก็ไปคิดเรื่องอื่นที่มันทำให้โกรธมากขึ้น mm. เช่นไปนึกถึงดินฟ้าอากาศไปนึกถึงเพื่อนร่วมงานไปนึกถึงรัฐบาลการเมือง ไฟลเลยนะตรเวอเนะี่ยไปขุดคุย้ยไปจมปลักอยู่กับเรื่องราวแย่ๆที่มันมีแต่จะสมเพลิงแห่งความโกรธให้รุนแรงขึ้นอันนี้เรียกว่าเป็นเพราะขาดสตินะมันก็เลยไม่คิดที่จะนึกถึงธรรมะหรือว่าคำสอนครูบาอาจารย์ ที่เคารพนับถือที่จะมาใช้แก้แล้วบางทีเนี่ยนอกจากไม่คิดจะเรียกสติกับมาแล้วเนี่ยบางทีคนเตือนสติกับโกรธนะในยามที่เศร้าในยามที่โกรธถ้ใครมาเตือนสตินี่กับยิ่งโกรธหรือยิ่งไม่พอใจหนักขึ้นทั้งทั้งที่ตอนที่ไม่โกรธไม่เศร้านะโอ้ยเห็นคุณค้างสติ และบางทีก็อาจจะแนะนำเพื่อนๆให้ช่วยเตือนสติด้วยนะถ้าฉันเกิดโกรธหรือฉันเกิดอารมณ์ยาแย่ตกต่ำยาแย่ขึ้นมาช่วยเตือนด้วยนะแต่พอถึงเวลาเพื่อนเตือนจริงๆอย่าโกรธนะีโดยที่บ่อยครั้งเนี่ยความโกรธนะั้นมันก็ไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรเลย คุณมอามาราท่านลาววานเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งที่รู้จักกันมาเรียนก็รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนประถมมัธยมผ่านไปสามสิบปีหรือสามสิบกว่าปีเนี่ยก็มีงานเลี้ยงรุ่นของเพื่อนอร่วมชั้นก็มีเพื่อนเก่าๆที่รู้จักกันกัสมัยเป็นนักเรียนเนี่ยมา ร่วมงานเลี้ยงด้วยคุบองมีเพื่อนคนหนึ่งน ะ, ะสมมติว่าชื่อสมศรีแล้วกันนะสมศรีเนี่ย <c oughs> ก็ <c oughs> ก็ได้พูดคุยกับเพื่อนหลายๆคนนะที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วก็ได้คุยกับเพื่อนคนหนึ่งนะซึ่งเธอไปอยู่อเมริกาเนี่ยต้อง ส0กว่าปีหลังจากที่เรียนมัธยมจบ ก, ก็ไปเรียนก็ไปเรียนต่อที่อเมริกาแล้วก็ทางานแต่งงานที่นั่นและพอเลี้ยงล่นก็มาร่วมงานเลี้ยงสมศรีก็ดีใจที่เจอเพื่อนคนนี้ที่ไม่ได้พบกันมา30ปีได้คุยไปคุยมาก็ลึกขึ้นมาได้ว่าตอนที่เรียนมัธยมเนี่ยก่อนที่เพื่อนคนนี้จะไปอเมริกาเนี่ยสมศรีนี่เคยมีเรื่อง โกรธเคืองกับเพื่อนคนนี้พอเธอรู้หรือจำได้ว่าเคยโกรธเพื่อนคนนี้นะไอ้ที่คุยกันดีๆนี่เปลี่ยนไปเลยนะกลายเป็นหน้าบึ้งแล้วก็พูดจ า, าเสียดสีเพื่อนก็สงสารว่าไมท่าทีของสมศรีเปลี่ยนไป ถาเหตุผลสมชื่อบอกว่าจําไม่ได้แล้วนะทะเลาะกันเรื่องอะไรแต่รู้แต่ว่าตอนนั้นฉันโกรธเธอมากแล้วตอนนี้ฉันนึกได้แล้วฉันก็เลยขอโกรธเธอต่อไปเพื่อนี่งงเลยนะเพื่อนถามว่าเนี่ยบอกมาสิว่าโกรธฉันเรื่องอะไรคาวนั้นเนี่ยถ้าฉันผิดจะได้ขอโทษสมชื่อบอกจําไม่ได้ลแล้วละรู้แต่ว่าฉันโกรธเธอ ถึงกับไม่พูดกันเลยตอนนั้นตอนนี้ฉันก็จะขอโกรธเธอต่อไปก็เริ่มมีปากเสียงกันนะคุณหมอเมลัยเห็นเนี่ยก็เลยพยายามส่งสัญญาณเตือนที่ทําช่นี้ก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสมศรีเคยไปปฏิบัติธรรมกับคุณหมออมราไปปฏิบัติกับอาจารย์ท่านอาจาสิงห์ทอง สมสีนี่แกก็ไปปฏิบัติมาได้เดือนหนึ่งแกก็รู้สึกว่าโอ้จิตใ จ, จสงบมากเลยแต่ก็รู้ว่าตัวเองนี่เป็นคนเจ้าอารมณ์ขี้โมโหนะก่อนที่จะเข้ากรุงเทพนะกลับไปทำงานต่อก็บอกคุณหมอมาราว่าถ้าว่าเห็นฉันโกรธนะช่วยเตือนด้วยนะ คุณหมอมาราจาได้เพราะฉะนั้นพอเกิดเหตุการณ์เนี่ยสมศรีไม่พอใจเพื่อนคนที่เพิ่งกลับจากอเมริกาโดยที่สมเสียงเองก็จําไม่ได้ว่าโกรธเรื่องอะไรรู้แต่ว่าเคยโกรธแล้วดังนั้นจึงขอโกรธต่อไปคุณหมอมาลา ก, ก็ส่งพยายามขยิบตาเนี่ยเพื่อส่งสัญญาณว่าเนี่ยนี่เธอโกรธแล้วนะแต่ว่าสมศรีก็ไม่สนใจ ก็ยังมีทีท่าจริงๆไม่ได้มีทีท่าอย่างเดียวนะพูดต่อว่าเพื่อนเลยอย่าลาเห็นว่าเพื่อนนี่ชักโกรธใหญ่แล้วก็เลยไปสกิดนะสกิดสมศีนะสมศีโมโหเลยนะบอกว่าเนี่ยมาเตือนฉันทำไมใครว่าฉันมีคนเจ้าหลมมากก็ไม่ต้องมา โคกก่าชั้นก็ได้ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับชั้นก็ได้ไปโน่นเลยถ้าหลายคนนะที่บอกว่าหรือคิดว่าตัวเองนะสนใจธรรมะหรือเห็นคุณค่าของสตินี่แต่พอโกรดเข้าไปแล้วเนี่ยนะเดีย๋ยวว่าแต่การเรียกสติกลับมาสู่ใจของตนเลยนะแม้กระทั่งมีคนมาเตือนสตินี่ยังไม่ชอบเลยเพราะตอนนั้นเนี่ยนะ ไอ้ความหลงมันครอมงำแล้วตอนนั้นสติไม่เหลือแล้วหรือเหลือน้อยมากเพอความหลงมันครอบงำนะมันก็จะนึกคิดแต่ในทางลบทางร้ายหรือในทางที่แย่ๆมันคิดแต่ว่าจะทำยังไงที่จะให้อารมณ์อกุศล น, นั้นนะอยู่ต่อเนื่องไปเรื่อย ถ้าโกรธก็คอโกรธต่อไปถ้าทุกข์ก็ขอยทุกข์ต่อไปแล้ทุกข์หนักขึ้นเรื่อยๆนั้นใครมาเตือนสตินี่จะไม่ชอบที่จริงเนี่ยเวลาคนโกรธหรือไม่คนมีความทุกข์เนี่ยนะบางครั้งเนี่ยการเตือนสติตรงๆนี่มันก็อาจจะไม่ช่วยนะเพราะว่าตัวตัวหลงเนี่ยหรือตัวกิเลสเนี่ยมันมันไม่ชอบอยู่แล้วนะใครมาเตือนสติ พ่อไม่เป็นเป็นปฏิปักต่อกันนะตัวหลงกับตัวสติที่มันเป็นปฏิปักกันไนอะตัวหลงนี่มันพาเมันคล่องงำใครคล่องงำจิตใจใครี่มันไม่สนใจนะมันไม่ชอบเลยให้ใครมาเตือนสติแม้แต่คนที่เป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเห็นเลยนะหลายคนเวลาเกิดความหงุดหงิดไม่พอใจอะไขึ้นมามีเพื่อนมาเตือนนะว่าเนี่เธอโกรธแล้วนะหลายคนจะไม่พอใจเพื่อนเลยนะ ฉันไม่โกรธฉันไม่โกรธยังปฏิเสธฉันไม่โกรธเพื่อนก็ยังบอกเนี่ยเธออารมณ์ไม่ดีแล้วนะคนนั้นกลับบอกเนี่ยอารมณ์ไม่ดีได้ยังไงมาว่าฉันได้ยังไงเธอดีกว่าฉันแค่ไหนนะนี่ระบายความโกรธใส่เพื่อนเลยก็เหมือนกับสมศรนะีที่ พอคุณหมอมาลาเตือนเตือนอย่างแผ่วเบาเตือนอย่างสุภาพนี่เขาก็กลับโกรธเพราะตัวหลงนี่มันไม่ชอบให้ใครนี่มาขวางมันใครที่มาขวางมันก็จะหาทางเล่นงานเพื่อที่ตัวหลวงมีได้คลองจิตคลองใจนะของสมศรีหรือของใครต่อใครต่อไป แน่นเจอเหตุการณ์แบบนี้เนะี่ยบางทีมันก็ต้องใช้อุบายนะมีพนักงานหญิงสองคนนะในบริษัทแห่งหนึ่งทะเลาะกันนะมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงเจ้านายเนี่ยเห็นเข้าเนี่ยก็เลยเข้าไปถามว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรบอกในสิ เพราะว่าสองคนนั้นเนี่ยกับแย่งกันพูดแล้วก็ชี้หน้าด่ากันฟังไม่รู้เรื่องเลยเจ้านายเนี่ยทายัางไงนะเขาบอกว่าเนี่ยเธอสองคนนี่เป็นผู้ใหญ่แล้วคุยกันให้รู้เรื่องหน่อยสิสองคนนั้นก็อาจจะโกรธเจ้านายแล้วก็ทํนมาเล่น ง, งานเจ้านายแทน หรือถ้าไปบอกว่าเนี่ยพวกเธอนี่เสียสติแล้วนะมีสติหน่อยสิพูดแบบนี้เข้าไปนะสองคนนั้นก็คงระบายความโกรธมาใส่เจ้านายนนเจ้านายวันนี้แกฉลาดนะเข้าใจคนแก่เลยบอกว่าเนี่ยไม่ต้องแย่งกันพูดเดี๋ยวผมจะให้คุณทั้งสองคนได้พูดแต่ว่า อยากจะให้คนที่หน้าตาขี้เละเนี่ยพูดก่อนเท่านี้แหละนะหยุดเลยนะสองคนนั้นนะเพราะว่าไม่อยากเป็นคนขี้เละนะถ้าพูดก่อนนี่ก็เป็นคนขี้เละไอ้ขี้เละเนี่ยพอมันเจอความพูดของเจ้านายแบบนี้มันมันชะ ง, งักเลยนะเพราะว่ามันไม่อยากจะเป็นฝ่ายยอมแล้วว่านี่ย ฉันขี้เละถ้าฉันพูดก่อนฉันก็ขี้เละสิก็เลยหยุดนะอีกคนนึงก็ไม่ยอมพูดต่อเหมือนกันเพราะถ้าพูดต่อหรือพูดเป็นคนแรกก็แสดงว่ายอมรับว่าฉันเป็นคนขี้เละบางทีเนี่ยไอ้ตัวหลงเนี่ยหรือตัวกิเลสเนี่ยถ้าพูดกับมันถ้าเตือน สติดีๆนี่ก็อาจจะไม่ฟังนะแต่ถ้าว่ามาเตือนด้วยคำพูดที่ไม่ถูกใจกิเลส น, นะมันก็ชะ ง, งักได้เหมือนกันและผลที่ตามมาคือสติกลับมาเลยนะสองคนเนี่ยพอเจ้าไหนทักแบบนี้นะว่าใครที่ี้เลพูดก่อนเนี่ยได้สติขึ้นมาเลย นั่นพอได้สติแล้วนี่มันก็รู้เลยนะโอ้ที่ทาไปเมื่อกี้นี่มันแย่แต่ตอนที่จมอยู่ในอารมณ์นี่นะโอ้มันมันไม่คิดที่จะเรียกสติกลับมาเลยมีแต่จะปล่อยใจทำตามอารมณ์หรือจมอยู่ในอารมณ์นั้นใครมาเตือนสติก็ยิ่งโกรยเข้าไปใหญ่หรือยิ่งไม่พอใจเข้าไปใหญ่แต่ว่าพอเจอคำพูดแบบนี้เนี่ ได้สติ ก, กับมันเลยแล้วพอได้สติแลยนะมันก็รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรแต่ว่าคนเราเนี่ยนะจะจะรอให้มีสติเมื่อมีใครมาทักเมื่อมีใครมามาบอกนี่มันคงไม่พอนะมันต้องรู้จักนะเรียกสติกลับมาด้วยตัวเอง ใหม่ๆเนี่ยนะกว่าจะมีสตินี่มันก็หลงจมเข้าไปในอารมณ์อยู่พักใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเศร้าทั้งที่เตือนตน ว, ว่าเนี่ยถ้าฉันโกรธเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะกลับมามีสตินะอย่างบางคนเนี่ยรู้ว่าเป็นคนเจ้าอารมณ์ก็ตั้งใจว่าเนี่ยถ้าโกรธเมื่อไหร่นี่จะกลับมาตามลมหายใจ หรือกลับมาอยู่กับพุโทโธแต่พอถึงเวลาโกรธจริงๆเนี่ยมันลืมไม่หมดเลยนะไอ้ที่ตั้งใจจะทำอะไรเนี่ยพุโทโธก็ลืมลมหายใจก็ลืมมันจะไม่ลืมได้ไงเพราะขนาดตัวนี่ยังลืมนะคือลืมตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้อย่างอื่นนี่ก็ลืมไปได้ไม่ยาก ต่อเมื่ออารมณ์มันเบาบางแล้วจึงนึกขึ้นมาได้เนี่ยพอโกรธมันทุดเราเบาบางจึงนึกขึ้นมาได้โอนี่เราไม่ได้ทำอย่างที่ตั้งใจไว้แต่ว่าก็เจอวันนี้ก็ไม่ต้องท้อนะก็ขอยตั้งใจนีไปเรื่อยๆถึงแม้ว่ากว่าจะมีสติกลับมานี่มันก็ล่วงเลยไปมากแล้วหรือว่า ปล่อยใจไปตามมารมณ์นะหรือว่าก่อความเสียหายไปไม่น้อยแล้วแต่ถ้าว่าเราตั้งใจนะไม่ท้อไม่ถอยเนี่ยต่อไปเนี่ยมันจะได้สติเร็วเข้าในะหม่ๆก็ได้สติหลังจากที่วอยวายระบายด่าทอไปเรียบร้อยแล้วแต่ต่อมาเนี่ยมันก็จะเริ่มมีสติระหว่าง ที่กำลังขุนมัวอยู่ขณะที่ดาทอนะก็มีเริ่มมีสติกลับมากลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมาอยู่พุโทโธแต่ว่าก็อาจจะอยู่ไม่ได้นานแล้วก็หลุดไปตามอารมณ์แต่ถ้าหากว่ายังทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะรู้ไวขึ้นมีสติเร็วขึ้นนะ จนถึงจุดหนึ่งเนี่ยไ ม, ไม่ทันจะพูดอะไรเลยไม่ทันจะวยวายอะไรเลยก็หักห้ามหักห้ามคำพูดหักห้ามใจได้กลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมาอยู่กับพุโทโธถ้าต่อไปทำไปเรื่อยๆนี่มันก็จะเริ่มมีสติเริ่มอยู่กับลมหายใจเริ่มอยู่กับพุโทโธทันทีที่เริ่มเกิดความไม่พอใจ คือจะรู้ตัวเร็วเข้าจะกลับมาอยู่กับพุทัวกลับมาอยู่กับลมหายใจได้เร็วเข้าเรื่อยเรื่อยอันนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลานะแล้วก็ต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ต้องมีความตั้งใจไอการไอความตั้งใจนี่งเป็นสิ่งสำคัญนะเวลาเราเดินจงกรมเวลาเรามาสร้างจังหวะเนี่ยที่นี่เนี่ยหรือที่ไหนก็ตามเนี่ย คนที่ทำใหม่ๆนี่จะพบว่าโอ้มันใจมันลอยมันฟุ้งไปไกลเหลือเกินนะกว่าจะรู้เนื้อรู้ตัวก็เดินกลับไปกลับมาหลายรอบเราถึงค่อยมารู้เน้อรู้ตัวคิดไปสิเรื่องเราถึงค่อยมารู้เน้อรู้ตัวหรือค่อยมารู้ว่ากําลังเดินอยู่แต่พอเราทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆด้วยความตั้งใจนะว่าเราจะรู้ตัวให้เร็วขึ้น เวลาเดินเราก็จะรู้สึกตัวเวลายกมือเราก็จะรู้สึกตัวพอทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจะพบว่าความรู้ตัวจะเกิดเร็วขึ้นสติจะกลับมาได้ไวขึ้นใจที่มันไหลไปมันจะกลับมาได้เร็วขึ้นอันนี้เพราะมีความตั้งใจมีความตั้งใจที่จะทำแต่ ความตั้งใจนั้นต้องไม่มากเกินไปจนกลายเป็นเครียดนะถ้าเครียดถึงขนาดดักจ้องความคิดดักจ้องดูจิตไม่ให้มันคิดมันคิดเมื่อไหร่ก็ตะปบมันอันนี้ไม่ได้แล้วให้ทําสบายๆนะแต่ว่ามีความตั้งใจที่จะทําไปเรื่อยๆให้ความตั้งใจเนช่วยให้เราเนี่ย รู้เนะรู้ตัวเร็วขึ้นจิตก็มาอยู่กับเนื้อกับตัวได้ไวขึ้นหรือว่าสติเนี่ยเกิดได้เร็วขึ้นแต่ไปเร่งมันก็ไม่ได้นะว่าแต่ไปเร่งมนก็จะกลายเป็นไม้ที่จะเพ่งไปแล้วสุดท้ายก็เครียดเกิดความงุนงงขึ้นมาแต่ถ้าเราทำไปเรื่อยๆนะด้วยความตั้งใจว่าเนี่ยเราจะ ทำไม่หยุดทำไม่เลิกได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ว่าจะทําไปเรื่อยๆมันจะช้ามันจะเร็วก็ช่างมันแต่ก็ทําไม่หยุดให้ความตั้งใจนี่แหละจะช่วยทําให้เรารู้เนื้อรู้ตัวได้เร็วมีสติกลับมาได้เร็วขึ้นนะเช่นเดียวกันในะเวลาเราจะรับมือกับอารมณ์สาหรับคนที่เป็นคนเจ้าอารมณ์สาหรับคนที่เป็นคนอชอบเศร้าชอบจมดิ่งอยู่กับความห่อเหี่ยว เมื่อเราตั้งใจนะที่จะกลับมามีสติหรือเรียกสติกลับมาเนี่ยมันก็จะใช้เวลาหน่อยแต่ว่าก็อย่าท้อถอยแต่ใหม่ๆเนี่ยนะอย่างที่บอกนะพอขาดสติแล้วพอจมนในอารมณ์นะมันลืมทุกอย่างเลยลืมธรรมะลืมคํำสอนครูบาอาจารย์ลืมความตั้งใจว่าจะอยู่กับพุโทโธหรือว่าจะมารู้สึกตัวแต่ว่าพอเราทําไปเรื่อยๆพอเรา ตั้งใจที่จะเอาธรรมะเอาสตินะกลับมาตั้งใจที่จะเรียกสติ ก, กลับมามันก็จะค่อยๆนึกถึงสตินึกถึงคาสองของครูบาอาจารย์นึกถึงความตั้งใจที่จะทำหรือเรียกสติ ก, กลับมาและทีละน้อยทีละน้อยเนี่ยนะเราก็จะมีสติไวขึ้นรับมือกับอารมณ์ที่ผลัดกันเวียนหาเข้เขามาไม่จะเป็นความโกรธความ กลัวความเศร้าโศกความหงุดหงิดความหอเหี่ยวมาเป็นเรื่องการทาสำซ้ำๆปฏิบัติบ่อยๆโดยที่ไม่ท้อถอย